มีคนก็ถามสงสัยเรื่องกรรมมากกรรมมันเป็นยังไงมันมายังไงทําไมมันถึงมีที่พลต่อเรามันถ่ายทอดทางสายโลหิตได้ไหมส่วนพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วลูกจะ ต, ต้องรับกรรมนั้นด้วยไห ม, มกรรมมันมาได้ยังไงทําไมกรรมมันยังมีที่พลต่อเราเหลือเกิน แล้วมีทางที่จะหมดกรรมได้ไหมให้กรรมมันไม่มีความหมายเลยได้ไหมในมันหมดสิ้นไปจากกรรมมัต้องมีกรรมอีกอย่างเช่นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยใครก็ตามที่บรรลุพระโสดาบันแล้วกรรมที่ทําให้ตกอบายภูมินปิดได้เลยนะพระโสดาบันเนี่ยเคยทํากรรมไว้ที่จะทําให้ตกอบายภูมิ ขี่พขี่ชาติก็ตามปิดเลยอ่ะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานปโสดาบันนี่ปิดประตูบายภูมิได้ก็แสดงว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อเราทั้งหมดเลยถ้าหาว่าปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจมันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ย เปลี่ยนกรรมได้ปิดประตูอบายได้เนี่ยก็สนแสดงว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อเราทั้งหมดอย่างวันนั้นเคยเล่าเรื่องพระอินพระอินรู้ตัวว่าจะต้องตายแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าเทวดานี่เวลาเขาจะตายเขาจะมีทุกขมีความทุกข์มาก เทวดาบางองค์เนี่ยพอจะตายเนี่ยบางทีเขารู้นะว่าเขาจะไปที่ไหนรู้ว่าจะไปนรกโอ้โหทุกทรมานเขากลัวนรกเขาเห็นความทุกข์ความทรมานในนรกเขาก็กลัวเป็นทุกข์มากพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากให้เวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ละ โอ้ไม่มีที่สิ้นสุดละพระอินทร์ก็ทุกข์มากเหมือนกันคือเทวดานี่เวลาเขาจะตายจะจุตติมันจะดับไปจากพกของเทวดาก็จะมีนิมิตปรากฏขึ้นนะดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้งไม่เบิกบาน มันไม่เบ่งบานไม่สวยงามเหี่ยวแห้งพวกอาพรที่เขาใช้สอยก็ซีดเซียวน่ออกทางรักแล้ถ้ารวดจะตายปั๊บเนี่ยพวกนี้ปรากฏขึ้นผิวพันุ์ก็ซีดเซียวหมันหมองใจก็ห่อเหี่ยวนะเบื่อหน่าย อันแรกมีผลเกี่ยวกับใ้สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมมีดอกไม้มีเสื้อผ้าแพพันแล้วก็อันที่สองร่างกายมีเหงื่อออกทางรักแร้ผิวพัน์สูบซีดแล้วก็จิตใจเบื่อหน่ายเด้วก็คิดนะที่นี่รู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วพออินก่อ เกิดความอาลัยทรัพสมบัติที่ตัวเองมีพอจะตายปั๊บมันก็อาลัยขึ้นมาโอเนี่ยพอเราตายไปพระอินทร์องค์ใหม่ก็ต้องมามาแล้วก็ต้องมาครอบครองสมบัติที่เราเคยครอบครองบริษัทบริวารที่เคยมีก็เป็นบริษัทบริวารของพระอินทร์องค์ใหม่หมดเลย บริวารพวกนี้ก็ต้องไปดูไปแลปลไปเอาใจพระอิน์องค์ใหม่นี่เกิดความอะไรขึ้นมาห่วงแหนแล้วก็เกิดความอิจฉาพระอินน์องค์ใหม่ถ้าเกิดพระอิน์องค์ใหม่มาแล้วถ้าเขามีอนุภาพมากกว่าเรามีลิทธานุภาพมีอนุภาพมากกว่าเราอะ เสียใจกลัวเขาดีกว่าเกิดความลิษยาขึ้นไม่อยากให้เขาดีกว่าทั้งทั้งที่ตัวเองมันต้องไปละไปตามเหตุตามปัจจัยละเหมือนคนเรานี่แหละอยู่เป็นคนมันก็ต้องแก่ลงไปแก่ลงไปพอสุดท้ายใกล้จะตายขึ้นมาไม่อยากตายเอง แล้วก็คิดห่วงอะไรอาวรคนรอบข้างห่วงลูกห่วงล้านห่วงญาติห่วงพี่ห่วงน้องหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเกิดความอาลัยขึ้นมาเสียดายขึ้นมาเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจมันก็กุ้มลุ่มสิจิตใจมันก็เกิดความห่อเหี่ยวไม่เบิกบาน เสาหมอนสาส่อยไ่อยงาอ่างว้าง ว, าว้าวตอนน้เคยอ่านเจอมีพี่น้องสองคนไปหาของในป่าแล้วก็น้องก็เป็นไข้มาลาเรียก็ดูแลกันตามมีตามได้ต่อมาไข้มันก็มากขึ้นน้องก็จะตายอ่ะ ผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายช่วยผมด้วยตอนนี้ขาผมไม่รู้สึกแล้ ว, วบอกได้นะว่าขามันไม่รู้สึกแล้วความรู้สึกมันหมดไปมันไม่วิ่งไปที่ขาแล้วตอนนี้มันมาถึงเอวแล้วช่วยผมด้วยช่วยผด้นวยจับมือพี่ชายแน่นเลยไม่อยากตายผมยังไม่อยากตาย ตอนนี้มันขึ้นมาถึงอกแล้วมันแน่นขึ้นมาแน่นขึ้นมาความรู้สึกมันแคบเข้ามาแคบเข้ามาแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยได้มีพระอินก็เหมือนกันก็ไม่อยากตายอะไรอาวอทรัพย์สมบัติที่มีสวรรค์นั่นแหละทรัพย์สมบัติในนั้นวิมานเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทบริวาร อะไอววรเล้วก็กลัวว่าผู้ที่มาใหม่พระอินทร์องค์ใหม่จะมีอนุภาพมากกว่าตัวเองเกิดใจไม่สบายอีกทั้งนั้นตัวเองจะตายอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วนี่คือมันไม่มีธรรมะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ทำให้เป็นทุกข์ได้คิดไม่เป็นเลยนะคิดให้ตัวเองสบายใจไม่มีเลยมีแต่จะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะ ยังคิดว่าเด็กเนี่ยจะตายก็ไม่อยากตายนี่ยมันไม่รู้ความจริงจิดมันยอมรับความจริงไม่ได้แต่ว่าคนมีความรู้มีความเข้าใจธรรมะ ก, ก็เออเกิดมาไม่ตายไม่มีมันก็วางสบายๆอ่ะนะตายก็ทําใจให้ดีไว้ถ้าใจเราดีก็ไปหาหลังใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวคิดได้สบายเลยหรือว่าเออ คนจะตายก็ต้องมีพระพุธะทธธรรมประสงค์อยู่ในใจเอา้าเกิดชาติไหนก็ตามเราจัดขอประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีพระพุธะทธธรมรมสงเป็นที่พึ่งอุ้ยแค่เนี้จิตมันก็สูงขึ้นมาแล้วนี่มันคิดไม่ได้เศร้าหมองกลัวไม่อยากตายไม่อยากตายช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยใจก็เศร้าหมอง นั่นแหละภูมิของจิตมันก็เป็นภูมิที่เศร้าหมองที่อยู่อาศัยมันก็ไปตามนั่นแหละภูมิของจิตนั่นแหละพระอินก็เหมือนกันไม่สบายใจเป็นทุกข์แล้วยังดีนะเป็นคนที่สมัยเกิดในโลกมนุษย์เนี่เป็นคนเสียสละนะพระอินทเนี่ยชอบทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำถนนหนทาง ทำที่พักกลางทางทาศาลาบ่อน้ําแล้วก็ชวนกันกับเพื่อน32คนช่วยกันเสียสละทาประโยชน์เนี่ยชื่อเดิมชื่อว่ามขวานมีประวัตินะตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นดาวดึงตัวเองก็ได้เป็นพระอินบริวารเพื่อน32คนก็ไปเป็นบริวารด้วยกัน แต่เวลาจะตายก็ไม่อยากพัดพลากจากสมบัติไม่อยากพัดพลากจากสิ่งที่ตัวเองเคยมีทีนี้ก็ไปหาพระพุทธเจ้าตัวเองกำลังมีทุกข์อยู่ไปถึงก็ถามเลยนะกราบถวายบังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วไหวแสดงความเคารพเรียบร้อยทูลถามพพุทธเจ้า ข้าแต่พอง์ผู้เจริญใครๆก็ไม่อยากมีทุกข์ไม่ว่ามนุษย์เทวดานาคนทันหรือ ว, ว่าสัตว์เราอื่นเป็นจำนวนมากไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากมีเวรไม่อยากมีภัยไม่อยากมีค่าสึดศัตรูไม่อยากมีความพยาบาทไม่อยากมีเวรแต่มันก็ยังมีอ่ะ มันเป็นเพราะอะไรประเจ้าข่าถามก็เพราะว่ามีความตันหนีห่วงแหวนแลก็มีความลิษยาตัหนีห่วงแหนริษยากลัวเขาดีกว่าเราเพอเห็นเขาดีกว่าเราก็ไม่สบายใจ แล้วก็หวงแหนอันนั้นอันนี้ใจครอบแคบแล้วอะไรอะ่ะทำให้มันเกิดความตนีหวงแหนเกิดความลิสยาพระเจ้าค่าผมจาก็ตอบอีกามมีของอันเป็นที่รัก้วก็ไม่เป็นที่รักพออินเข้าใจเลยนะตอบแค่นี้ปับ๊บเข้าใจไปเลยเออใจจิตตัวเองกำลังมีความทุกข์อยู่กาลังมีเรื่องไม่สบายใจเพราะตนีหวงแหน เกิดความริษยาพระเจ้าบอกว่าเป็นเพราะความตนีห่วงแหนเป็นเพราะความริษยาปับ๊บรู้ทันทีเลยอ๋อจริงเนี่ยแล้วอะไรเป็นเหตุทําให้มันเกิดความตนีห่งแหนเกิดความริษยาอ๋อเพราะว่ามันมีความรักมีสิ่งอันเป็นที่รักแล้วก็มีสิ่งอันไม่เป็นที่รักพระอิน์ก็นึกออกทันทีเลยนะสติตามไปเลยตามปับ๊บโอ้ตัวเองก็กําลังอะไรอาวรสมบัติ พระสถานอยู่กลัวเขาดีกว่าตัวเองอยู่เนี่ยเข้เข้าใจแล้วพระเจ้าข่าแล้วก็ถามต่อเองว่าอะไรทำให้เกิดความมีสิ่งอันเป็นที่รักไม่เป็นที่รักพระเจ้าข่าฉันทะความพอใจถ้าพอใจในสิ่งใดก็รักสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งใดก็ไม่รักสิ่งนั้นไม่เอาสิ่งนั้นก็เข้าใจไปอีก แล้วอะไรอ่ะมันมันเป็นเหตุทำให้เป็นเกิดฉันท ะ, ะเป็นเพราะว่ามันมีความนึกวิตกคือนึกคิดไปนึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้บางเรื่องก็ชอบใจบางเรื่องไม่ชอบใจโอ้เข้าใจอีกเป็นเรื่องของจิตหมดเลยแล้วอะไรเป็นที่มาของวิตกอะให้ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สัญญา เียว่าปาปะสัญญาสัญญาที่มันซับซ้อนสัญญาหลายๆเรื่องบุนบุญอยู่ในจิตใจมีความปรุงแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเกิดจากสัญญาอารมณ์แล้วก็มีสิ่งที่พอใจไม่พอใจมีสิ่งเป็นที่รักไม่เป็นที่รักเกิดความตนีหวงแหน ล, ลิสยาแล้วจะดับมันได้ยังไงพระเจ้าค่ะเอาแล้วนะทีหาเหตุเลย พระโยสอนให้มีสติรู้รู้แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอันไหนควรเสพไม่ควรเสพนะพเจ้าบอกบางทีจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีมีความมีความรู้สึกขึ้นมาบางทีก็ถูกใจขึ้นมานะถูกใจขึ้นมาพกเจ้าก็บอกว่าต้องรู้ด้วยว่าอันไหนควรไม่ควรควรเสพไม่ควรเสพ ควรเกี่ยวข้องไม่ควรเกี่ยวข้องควรพูดไม่ควรพูดห้ย้ำยังจิตได้ดูเข้ามาหาจิตหมดเลยนะโอ้แล้วพระท่านปฏิบัติยังไงพระอินอยากรู้อีกนะเอาแล้วก็สอนให้มีสติรักษาจิตให้ตื่นทำสติให้มีสติต่อเนื่องรักษาจิตแล้วก็สํารวมในพระปาฏิโมกมีศีลรู้จักประมาณในการบริโภค พี่อินก็เข้าใจก็ดูไปด้วยนะพระอินก็ดูไปด้วยดูสภาวะในจิตเลยในขณะที่ฟังเทศอะจ่อเข้าไปหาจิตตัวเองเหนือความทุกข์มันมาได้ยังไงมันก็จะมาจากจิตเา่าเนี่ยจิตเรามันเป็นเพราะอะไรมากระทบอารมณ์ถ้าตามดูกระทบอารมณ์แล้วมันเป็นยังไงมันก็มีความรู้สึกปุ๊บเข้ามาในจิต สุดความรู้สึกสบายไม่สบายถ้าสบายก็รู้สึกพอใจอยากได้อยากมีอยากเกี่ยวข้องอยากเอาเข้ามาถ้าว่าไม่อยากได้ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องผัว พ, พันแล้ก็อยากผลักออกอยากต่อต้านเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในจิตอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของจิตถ้าเห็นถ้ามีสติเห็นมันก็เห็นมันก็เกิดดับอะเห็นมันไม่ใช่เราเนี่ย ใจเราก็จะมีธรรมะใจเราก็คลายออกไม่ไปยึดไปรุ่มหลงมันแต่พระเจ้าสอนพระอินบอกว่าให้รู้ว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพคือให้รู้จักเห็นดูมันแล้วก็ปล่อยวางให้มันได้อารมณ์ที่มันดีเป็นที่ชอบใจก็ตามรู้เห็นหน้าเห็นตามันเอออันไหนควรเอาไม่ควรเอาอันไหนควรเกี่ยวข้องไม่ควรเกี่ยวข้องเนี่ยพระเจ้าสอนแบบนี้นะ สอนพ อ, อินทคือพระเจ้าสอนตามอัธยาศัยพระยิออนทก็กําลังมีสติดูจิตอยู่พอตัวเองมีทุกมาก็ดูดูดูเข้าใจเข้าใจก็รู้อารมณ์พวกนี้ก็เกิดดับไปก็เห็นความเกิดความดับของมันวางได้คลายวางได้มันก็ดับไปจากจิตพอดับไปจากจิตปับ๊บพระเจ้าเทศจบปับ๊บ พ อ, อินก็รู้ว่าเออสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดานันแล้วก็พูดให้รู้ว่าเนี่ยเข้าใจหมดแล้วที่แสดงธรรมมาเราบรรลุเป็นพระโสดาบันคือหมายความว่าหลังจากบรรลุพระโสดาบันแล้วไม่ตายนะพยออินเนี่ยกลับไปเป็นพยออินเหมือนเดิมดูซินี่เปลี่ยนกรรมได้นะไม่ใช่ว่ากรรมมันจะมีอานาจ เนือเราทั้งหมดเลยนะไม่ใช่นะแม้แต่สรีละธาตุขันเนี่ยพระอินเนี่ยกลับไปเป็นพระอินได้เหมือนเดิมแล้วก็บรรลุพระโสดาบันเนี่ยเพราะฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ร่างกายก็เปลี่ยนสภาพเป็นพระอินทเหมือนเดิมครองสมบัติอยู่ชัชนดาวดึงต่อไป เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเนี่ยถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมมันสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมได้กรรมบางอย่างมันดับไปได้อย่างพระโสดาบันเนี่ยกรรมที่จะทำให้ตกอบายภูมิปิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มั่นใจแน่ใจว่าเราเนี่ไม่ลงอบายภูมิแน่ๆต้องเอาให้มั่นใจเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันรู้มันเห็น ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันต้องเข้ามาเห็นนะคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเวลาเราศึกษาเนี่ยการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมาเห็นความจริงอะไรผ่านมาก็ผ่านไปลมหายใจก็แค่เข้าแค่ออกเนี่ยมันไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่นหมายว่ามันเห็นอย่างเนี้ยมันเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่อยๆไปแล้วมันก็หายหลง ความยึดมัน่นถือมัน่นความรุ่มหลงว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ดับไปหมดหายหลงเลยความคิดความนึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเนี่ยใจมันเห็นอยู่ตัวใจเห็นเห็นมันก็วางอสีมันก็ไม่ยึดมันก็เหมือนกับว่าผู้ดูแล้วก็ตามดูอยู่ผู้ดูอันหนึ่งก็ถูกดูผู้ดูกับสิ่งถูกดูทีนี้ถ้าใครเห็นอย่างนี้เนี่ยแหละเนี่แหละมันเป็นทางที่จะทําให้หายหลงละ ถ้าว่ายังไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องได้เห็นบางทีก็จิตก็เป็นอุเบกขาอยู่แต่มันเข้าใจเออมันไม่ใช่ของเราแต่ไม่ไม่ต้องได้เห็นรู้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าว่ามันเห็นชัดเจนชัดเจนเนี่ยมันเหมือนมันทีทีเหมือนมันเข้าใจแบบเต็มที่เลยจิตจะคลายวางออกทันทีเลยนะละความเห็นผิดได้ทันทีเลย หลงผิดมานานขนาดไหนกว่าหายได้รู้กายกับจิตนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยวางเด็ดขาดวางในจิตนี่ก็เบาสิสิสบายทุกที่เคยเท่าภูเขาก็เหลือแค่ขีเล็บทีนี้นะเทียบปุตุชนมันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไปยึดเรื่องนะั้นเรื่องนี้มากมมยอะ่ะนึกถึงตัวเองก็ได้นะตอนที่เรายังไม่เคยปฏิบัติธรรมอะ่ะ เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะ่ะเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อยจิบจิบจอยจยก็มทำให้เราเป็นทุกข์หมดเลยนะเรื่องไม่สำคัญก็ ก, ากลายเป็นเรื่องสาคัญไปลองนึกย้อนหลังไปเออเรานี่ยมันก็โ ง, ง, ง่จริงๆเลยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อหอบมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ถึงจะดีขนาดไหนมันก็ยังอดไม่ได้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อะ่ะ ยิ่งคนที่ชอบสร้างแต่ปัญหากับตัวเองโอ้ยความทุกข์ยิ่งมากก็คือจิตของเราเนี่แหละมันไม่เข้าใจมันกเลยไปยึดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยทีนี้เรมีคนมาถามว่าเออแล้วกรรมมันมาอย่างไงอะ่ะก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้หลงผิดมันไม่รู้มไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา้กายกับใจเนี่ย มันก็เลยยึดยึดว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเราทีนี้กับมันคิดปรุงแต่งเพื่อเราเลยนะทีนี้จะทำบุญก็เพื่อเราจะทำนั่นทำนี่ก็เพื่อตัวเราเนี่ยทำบุญก็เป็นเพื่อตัวเราทำบาปก็เพื่อตัวเรามันจะทำบาปก็เพื่อตัวเราแม้แต่จิตสงบก็เป็นเรานี่แหละท่านถึงว่าปุญญาพิสังขารอภปุญญาพิสังขาร อเนจชาพิสังขารมันก็เลยความไม่รู้อันนี้มันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเหล่าแล้วมันก็เก็บไว้ในจิตในภวังคจิตหรือเก็บไว้ในวิญญาณเ็าเรียกวิญญาณเตรียมจะหอบเอาคุณภาพของกรรมเหล่านี้มาเป็นคุณภาพของจิตแล้วก็ไปเกิดหาล่างใหม่เพราะนั้นกรรมนี่มันจะถ่ายทอดกันทางสายเลือดไม่ได้ แต่ละคนแต่ละคนจึงมีกรรมเป็นของของตนพอความหลงอยู่ในใจไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันไม่รู้แจ้งรู้ชัดสติก็ไม่ค่อยพอสติก็ยังน้อยที่จะมาเห็นสิ่งต่างๆเกิดดับมันก็ไม่เห็นเสียแต่ก่อนยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย มันก็เลยมีแต่ความหลงทีนีถกว่าเราเริ่มรู้เรื่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยเออจริงยอมรับว่ามันไม่ใช่ของเราจริงหรือ ว, ว่ามันสุดท้ายมันต้องแตกดับสลายไปจิตใจมันนึกคิดปรุงแต่งไปเกิดแล้วก็ดับดีใจเสียใจเกิดแล้วก็ดับเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันเห็นบ่อยๆเข้ามีสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยมันก็คลายออกได้ กรรมก็เบาลงได้แต่ก่อนนี้มันไม่รู้อ่ะมันยึดเป็นเราเป็นตัวตนเป็นเราทั้งหมดเลยความรู้สึกว่าเป็นเราก็เต็มอยู่ในจิตใจของเราเวลาไปเกิดภาพเนี่ยคุณภาพจิตก็ไปด้วยเนี่ยมันก็สร้างตัวตนนี้กรรมเก่ากรรมเก่าก็ไม่เกิดกายกับจิตเราขึ้นมาแต่ส่วนที่มันจะเสวยผลกรรมน่ะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่าพรานั้นใครอยากรู้กรรมเก่าก็นี่แหละเรานั่งอยู่นี่แหละกรรมเก่าแล้วก็มีกรรมใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกรรมใหม่คืออะไรอ่ะก็คือกรรมที่เราทําในปัจจุบันนี่แหละคือกรรมใหม่แต่ว่ากรรมเก่าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะกรรมใหม่มันก็ต้องทําเรานู่นเอานี่มารับประทานทํำนู่นทํานี่เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเนี่ย การกระทําของเรากรรมเก่าก็ามาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมใหม่ก็คือกรรมในปัจจุบันโอนเปเข้ามาเป็นตัวเราขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะ เห็นทางโลกเรียนเพื่อไปทําหากินทําการทํางานกนยากได้เงินได้ท้องได้ข้าวได้ของคิดว่าความสุขก็อยู่ที่นั่นนะไม่รู้เลยว่าความสุขนี้อยู่ที่จิตมีอะไรมากมายขนาดไหนแต่จิตมันเป็นทุกข์แล้วก็มันไม่มีความสุขได้เนี่ยมันไม่เข้าใจมันมีปัญญา ทีนี้พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติมันก็เริ่มเห็นเลยเวลากรรมเก่ามันจะให้ผลทางตาปับ๊บเห็นรูปเรามีตามันก็ต้องเห็นเลยเห็นวูบเข้ามาแล้วทําให้เกิดความกลัวความกังวลความหวั่นไวหวเกิดความทุกข์แบบใดแบบหนึ่งนั่นแหละวิบากสิ่งที่เราเคยกระทาเอาไว้มันให้ผลแล้ว มีผลต่อจิตเลยเกิด ค, ความไม่สบายขึ้นมาเป็นเวทนาที่ไม่สบายแต่ถ้ากรรมดีให้ผลก็รู้สึกสบายใจเ c, บิกบานอิ่มเอิบเหมือนเรามานั่งฟังธรรมอย่างเงี้ยเออได้ยินได้ฟังไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราเนี่ยมันทำให้มาเข้าใจเรื่องตัวเองบ้างรู้จักว่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้ยังไง เนี่ยใจมันก็สบายขึ้นดีกว่าที่มันไม่รู้อะไรเลยอันนี้มันมันเริ่มรู้ความลับเกี่ยวกับตัวเรามันถูกเปิดเผยออกถูกขี้คลายออกใจเราพอมันเข้าใจแล้วมันก็สบายเนี่ยลองมันไม่เข้าใจคิดนะไม่เข้าใจเรื่องอะไรเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็คิดเรื่องเก่าแล้วเรื่องที่มันยังไม่มีคําตอบให้อ่ะมันคิดอยู่เรื่อย แต่ถ้ามันเข้าใจปับ๊บมันมีคำตอบให้จิตใจวางคลายออกสบายเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่าตัวเราเนี่ยมีกรรมเก่าแล้วก็มีกรรมใหม่ด้วยถึงเป็นตัวเป็นตนเราอยู่ในขณะนี้ทีศทางที่จะรับกรรมก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจที่อื่นไม่มีในตัวเรานี่แหละ มันจะไปรับกับกรรมทางอื่นไม่ได้ทางนี้เข้ามาของกรรมต้องมีตาทางตาพบกรรมดีสบายใจพบกรรมไม่ดีทุกข์ใจเดือดร้อนมีปัญหาสารพัดกรรมดีให้ผลมีแต่ความราบรื่นมีแต่คนช่วยเหลือมีแต่ความเรียบร้อยลงตัวสบายนะกรรมไม่ดีให้ผลโอ้อุปสรรคก็เยอะติดติดขัดขัดขาดค้องไปหมด จะยินเสียงวูบเข้ามาบางทีทำให้เราทุกข์ได้เนี่ยวิบากแต่ทีนี้เวลามันจะสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ได้ยังไงมันวูบเข้ามาแล้วเกิดความพอใจก็อยากขึ้นมาอันนี้เนี่ยถ้าทันตรงนี้ปับ๊บความอยากก็ดับไปอันนี้ยังไม่มีกรรมนะยังไม่มีกรรมใหม่แค่นี้มันเรียกว่ากรรมดับไอ้ผลของกรรมวิบากอ น, นั้นก็ดับไปใจเราก็เป็นอุเบกขาได้ อันนี้ตอนนี้ไม่มีกรรมอะไรนะกระทบอารมณ์ปับ๊บกรรมเก่าให้ผลละไม่สบายใจโกรธคุณเคืองแต่ถ้าเราเห็นมันปับ๊บมันดับแล้วไปเนี่ยนี่หมดเลยกรรมใหม่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มันชอบใจปับ๊บอยากได้แล้วอยากได้มันก็วุบเข้ามาในจิตเราไอ้เรื่องนั้นอะ่ะเนี่ยพอมีเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ในจิตปับ๊บเริ่มปรุงแต่งเริ่ม เป็นมโนกรรมมีกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นตอนกระทบอารมณ์ถ้าเรารู้ทันมันรักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้สแสวงใช้กรรมตรงนั้นทางตาหมดแล้วเป็นอุเบกขาไปเรื่อยๆรักษาอุเบกขาได้เรื่อยๆกรรมใหม่ไม่มีไม่เกิดขึ้นไม่เกิดกรรมใหม่มาทางลึกลับขนาดไหนก็ช่างมันวุบเข้ามานั่นกรรมเก่าให้ผลล้ ทำมองในใจของกรรมกรรมเก่าให้ผลแนละต้องเคยทําอะไรรบกวนคนอื่นเอาไว้นี่วุบเข้ามาแล้วแต่สติเราดีสินี่เราควบคุมจิตพยายามให้จิตเป็นอุเบกขาไว้เป็นอุเบกขาไว้มันอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต้องเข้าไปหาจิตจิตเป็นกลางจิตเป็นอุเบกขาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่คือทางของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปนึกไปคิดไปปูแต่ถ้ามันคิดเอง ก็ธรรมดามปฏิยาของจิตแต่ถ้าว่าเออปรุงแต่งมากขึ้นมากขึนนี่นี่เป็นกรรมใหม่ละเป็นมนกกรรมเป็นวจัจญกรรมเป็นกายกรรมแต่วนเวียนอยู่ในจิตมันเกิดละเกิดเป็นตัวตนอยู่ในจิตละมีน้ำหนักอยู่ในจิตละเนี่ยพบชาติอยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าพบชาติเนี่ยมันมากมันน้อยแค่ไหนอ่ะมันก็มาดูที่จิตเรา ไอจิตที่มันจะไปเกิดเนี่ยไอ้ตัวที่มันจะไปก่อเกิดเนี่ยมันเกิดในจิตก่อนตอนที่ใช้กรรมเนี่ตอนกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ทางตาบางทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จิตใจอย่างตอนนี้หูก็ได้ยินเสียงแต่เป็นเสียงที่ดีเป็นเสียงธรรมะใจของเราก็สบายมีสติมีปัญญาขึ้นมาเป็นผลดีขึ้นมาแก่จิตใจของเราอันนี้คือเป็นวิบาก เป็นกรรมดีที่เราเคยทำมาแล้วมันให้ผลหมายถึงว่ากรรมดีทางหูมันเลยได้ยินเสียงธรรมะเสียงธรรมของพระพุทธเจา้าเกิดความรู้ความเข้าใจจิตคลายวางออกเนี่ยกรรมดีให้ผลเป็นกรรมใหม่ที่ดีเราฟังเข้าใจว่าเออเราก็มีความคิดขึ้นมาเราจะไม่ไปทำกรรมที่ไม่ดีเราจะทำกรรมดีขึ้นมาเพื่อที่จะทาให จิตใจของเราเนี่ยมันตั้งมัน่นมันเป็นสภาธิมันตั้งมัน่นให้มันรู้ความจริงคลายวางเนี่ยอันนี้แหละเป็นกรรมดีที่เราเคยทำมาคิดก็คิดไปในทางที่จะหลุดพ้นก็เลยเป็นกรรมกรรมดีที่ทำให้ชีวิตของเราประเสริฐขึ้นแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาว่าเรา หรือว่ามาพูดในสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมานี่เป็นวิบากละกรรมไม่ดีที่เราเคยทำเอาไว้ให้ผลทีนี้ถ้าว่าเรามีสติเห็นมันแล้วมันก็ดับไปแล้วจิตเราก็เป็นอุเบกขาอันนี้ไม่มีกรรมใหม่หมายว่าไม่มีกรรมใหม่ที่เป็นผลจากการได้ยินนั้นแต่ถ้าว่าเรื่องนั้นมันมีความสําคัญต่อจิตเราวุบเข้ามาในจิตของเราแล้ว แล้วมันวนเวียนอยู่ในจิตจนมีน้ำหนักอยู่ในจิตนั่นแหละมันเกิดกรรมใหม่ละมันเกิดใหม่แล้วเป็นพบเป็นชาติอยู่ในจิตเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าวันเนี้ยมันเกิดกี่หนแล้วมันเกิดกี่ชาติแล้วในจิตของตัวเองเราก็ดูได้เราอยากรู้ว่ากรรมเนี่ยมันใช้กรรม ไปกี่เรื่องแล้วทางตามีไหมที่มันไปเห็นอะไรแล้วมีผลต่อจิตทีแรกมันก็มีความรู้สึกสบายไม่สบายอยากเกี่ยวข้องหรือไม่อยากเกี่ยวข้องทำนองเนี้ยอยากได้หรือไม่อยากได้ถึงขั้นนี้ท่านเรียกว่าตัณหาอันนี้ยังไม่เป็นกรรมอะไรนะมันเป็นแค่ปฏิยาเป็นวิบากของกรรมเก่าเฉย แต่พอมันมีอาการที่จิตไปยึดปั๊บเข้ามาเนี่ยนี่เป็นกรรมใหม่ทันทีเลยสร้างกรรมใหม่ทางจิตใจขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาวนเวียนอยู่ในจิตมีน้ําหนักเป็นทุกข์ต่อไปก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทางที่จะดับกรรมทางที่จะหมดกรรมเนี่ยต้องมีสติรู้รู้อาการของจิตเรา แลาทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้ตั้งมัน่นจนกระทั่งมันเห็นว่าไม่มีเราอีกต่อไปอันนั้นหมดกรรมหมดกรรมตรงที่ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปหมดเลยไม่ต้องมีกรรมใหม่อีกต่อไปนี่ว่าจิตหลุดพ้นไปไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีของเราตัวเราไม่มีก็เลยไม่ต้องมีกรรม ทำอะไรก็เป็นแค่กิริยาอาการนี่ทางที่จะหมดกรรมก็คือต้องบรรลุปเป็นพรหาหนณ์หมดกรรมแน่นอนถึงพระนิพพานหมดกรรมเพราะฉนั้นในโลกของเรามันจึงมีด้านหนึ่งเป็นสังขารก่อเกิดเป็นทุกข์อีกอันหนึ่งคือพระนิพพานถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานเรายังอยู่ในโลกของสังขารมันก็ต้องมีสิ่งปรุงแต่งจิตของเรากายของเรา แต่ทางไปพระนิพพานก็คือมีสติรักษาจิตไม่ให้ไปยินยียินร้ายกับสิ่งใดให้จิตเป็นกลางๆให้จิตเป็นอุเบกขาเรื่อยไปนี่อะไรเกิดขึ้นมันต้องเข้ามาหาจิตเข้ามารักษาจิตไม่สนใจว่ามันคืออะไรถ้าไปสนใจว่าเ อ, อ้ยนี่อะไรกันหน้าตามันเป็นยังไงมันทำไมจึงเกิดขึ้นมันมาได้ยังไงมันไปยังไงมันจะอยู่ยังไง นี่คือไปสนใจข้างนอกไม่ตรงสนใจว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอุเบกขาได้ไหมจิตของเรายินดียินร้ไหมถ้ามันไม่ยินดียินไล้ถูกทางแล้วมันวางตัวเป็นอุเบกขาใช้ได้แล้วไม่ทุกข์ทีนี้อะไรจะเกิดก็เกิดสิที่นี่เรารู้แล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนไม่ยินดีไม่ยินราย ใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางๆงมันจะเลวร้ายขนาดไหนไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะหน้าขยะขแยงหน้ากลัวอึดอัดขาดข้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเป็นอุเบกขาไว้เหมือนจะเป็นจะตายไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเป็นอุเบกข า, ใ จ, ขาใจเป็นกลางๆง อะไรจะเกิดขนาดไหนก็ตามไม่ยินดีไม่ลายใจเป็นกลางกลางใจเป็นอุเบกขามันก็เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผ่านมาผ่านไปใจของเราก็รู้เข้าใจเรายังอยู่ในโลกมันต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามาอยู่กับจิตเราที่เป็นอุเบกขานี้ไม่ยินดีไม่ยินลายนี้ มันดีขนาดไหนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าดีก็จะไปพอใจว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พยายามที่จะจดจำเอาไว้ก็ไม่ตรงที่พระเจ้าต้องการไม่ตรงหลักของการปฏิบัติต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็หมายว่าเราต้องปฏิบัติจงกระทั่งจิตของเราเข้าไปถึงสภาวะอันหนึ่งสามารถคลายวางปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้น ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่หลงไปยินดียินไลจิตเราคลายวางออกเนีย่ยต้องปฏิบัติมันถึงใจได้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าว่ามันเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเด็ดขาดเลยกายก็ไม่ใช่ของเราแน่นอนจิตไม่ใช่ของเราแน่นอนเนี่ยมันวางได้หมด ตัวเราก็ไม่มีหมดตัวหมดตนนี่คือหมดกิเลสตรงนี้เลยเพราะไม่มีตัวเราพับกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นหาที่เกิดไม่ได้จึงต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากรรมมันจึงเกี่ยวข้องพัวพันได้แต่ว่าถ่ายทอดกันทางสายเลือดไม่ได้ แล้วมันหมดกรรมได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคือจิตลุถึงปานิพานหมดกรรมได้สิ้นกรรมได้สรุปแล้วก็คือทางที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละใครอยากหมดกรรม ไม่อยากกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่อยากมีทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีจบไม่มีสิน้นก็ต้องทำให้จิตตัวเองหลุดพ้นไปผม บ, บอกว่าหลุดพ้นกลัวขึ้นมาเลยนะกลัวจะไปไม่เห็นหน้าลูกหน้าแฟนเนะี่ยดูสี่ความอะไระถ้ามันยังไม่พ้นทุกข์ทางดำเนินไปก็ต้องทำกรรมดีกรรมไม่ดีไม่ทำ ทำแต่ความดีแล้วมีสติในการทำเป็นการปฏิบัติธรรมความดีที่เราทำมันก็มีผลทำให้จิตใจของเรามีกำลังใจเข้มแข็งใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองยอมรับตัวเองได้เรื่องราวที่จะทำให้ใจเราเป็นทุกข์น้อยเนี่ยมันเดินถูกทางใจเรายังไม่หลุดพ้นเราไปปฏิเสธความดีไม่ได้เหมือนเราจะขึ้นบ้านคนที่ขึ้นบนบ้านแล้วทิ้งบันไดก็ได้ แต่คนที่กำลังอยากจะขึ้นบ้านก็ต้องเดินขึ้นบันไดทิ้งบันไดไม่ได้การทำบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยอันนี้มันก็เป็นทางที่จะให้ไปถึงพนิพานได้ถึงความหมดกรรมได้ ขอนมแด่พระผู้มีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ใกลชากเกล็ดสำมาสักขัดซากระสรอโชกได้โดยพระองค์เอง